บัดนี้เพื่อแสดงสภาวะที่นิพพานนั้นมีอยู่โดยมุกคือความผ่องแผ่จากธรรมะที่ผิดจากตรงกันข้ามสังคตาาธะธาตุปวงยังตรัสว่ายัตะเนวปัปทวีนะอาปโปก็คือไม่มีปทวีไม่มียาปโปเป็นต้นเนี่ยนะในข้อนั้นเพราะเหตุที่พระนิพพานเนี่ยมีสภาวะผิดตรงกันข้ามจากสังขารทั้งปวงไม่มีในบรรดาสังคตธรรมในไหนฉันใด แม้พระนิพานนั้นก็ไม่มีสังคตะธรรมทั้งหมดฉันนั้นนะนะตรงกันข้ามนะในตัวสังคตะธรรมก็ไม่มีอสังคตะอยู่ในนั้นไม่มีนิพานอยู่ในสังคตะธรรมสังคตะธรรมก็ไม่มีอยู่ในนิพานอย่างเช่นว่าจักขุู่ก็ไม่มีในจักขุูนิโรธจักรคูนิโรธก็ไม่มีในจกักขคูกายก็ไม่ใช่กายนิโรธอันนะ กายยะนิโรธก็ไม่มีในกายกายก็ไม่มีในกายยะนิโรธเนี่ยนะใครไปคิดหาเจอก่อนนะบอกเลยนะจะได้เอาของไปทำบุญเป็นนาบุญเลยเนาะ <c oughs> นี่เรามาเรียนสูตรด้วยกันนะว่าเออเนี่ยสูตรเขาบรรลุเขาบรรลุอะไรกันเนี่ยนะก็ ที่บอกว่าแม้พระนิพพานไม่มีสังคตะธรรมทั้งหมดฉะนั้นเพราะสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมรวมกันไม่ได้ผสมกันไม่ได้หรอกในข้อนั้นมีการทำอธิบายดังต่อไปนี้ว่าปฐวีาธาตุแข่นแข็งอาโปาธาตุไหลไปเตโชาธาตุอบอุ่นวายโ ย, า ย, ายาธาตุมีลักษณะไหวไม่มีในนิพพานใดคืออสังคตะาธาตุดังนั้นาธาตุเหล่านั้นเมื่อว่าโดยความโดยอัถฐเนี่ยนะไม่มีมหาภูตรูปสี่ นิพพานไม่มีมหาภูตรูปสีถ้าพูดมหาภูตรูปเท่ากับแสดงอุปาทายรูปแล้วใช่ไหมสีเสียงกลิ่นรสบางคนอธิบายนิพพานมีสีมีเสียงมีกลิ่นอุยที่นั่นเสียงเพราะมากสีก็สวยแสดงว่าที่นั่นมีมหาพูดที่ใดมีสีที่ใดมีเสียงที่ใดมีกลิ่นที่นั่นมีมหาผีเนี่ยนะมีมหาพูดเนี่ยนะ ขันธนิพานนี่ไม่มีมหาพูทเหล่านั้นเลยถ้าบอกว่าที่ใดมีมหาพูทพบที่มีรูปทั้งหมดนี้ชื่อว่ากล่าวแล้วพันธ์า น, นิพานแล้วมีรูปอยู่แสดงว่าที่นั่นคือกามมพบกับรูปประพบเท่านั้นเองถ้ายังมีรูปอยู่นะถ้ายังมีรูปอยู่ก็แสดงว่ายังมีปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุถ้ามีปัทวีอาโปเตโช ว, วาโย ο, ก็มีสีเสียงกลิ่นรส ถ, ถ้ามีสีเสียงกลิ่นรสสิ่งนั้นก็เป็นไปกับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปาญาตนั่นคือตัวทุกข์นัญผนิพานเนี่ยไม่มีรูปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดมีรูปนะหมายถึงกามมาพบรูปประพบสรุปเป็นอันกล่าวว่า ก, การมาพบรูปประพบไม่มีในนิพานโดยสิ้นเชิง บางคนก็บอกนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่ในทุกคนนี่แหละทั้อยู่ตรงไหนเขาเคยพูดแต่เขามีคนชอบพูดแบบนั้นด้วยนะทุกคนมีนิพพานอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงว่นิพพานเนี่ยนะนนะก็แสดงว่าสิ่งนี้คละกันไนงะก็แต่ว่าจะไปคิดอะไรมากนะวันนี้ไปเจออยคหนัง้งเขาบอกว่าเป็นคนนอก คนที่ไม่มีโสตาปฏิยังฆะธรรมอยู่ในตัวเรียกว่าคนนอกคําของคนนอกเดี๋ยวไปคิดอะไรมากนะเพราะคํานั้นมันขัดต่อพระพุทธพจน์โดยตรงอยู่แล้วว่าโดยรวมๆนะสะรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าพระนิพพานไม่มีการมมพบรูปประพบอยู่ในนั้นเลยนนะกรรมมาพบรูปประพบไม่มีอยู่ในนิพพานนิพพานไม่มีอยู่ในการมมพบรูปประพบ เป็นอันกล่าวว่าไม่มีในนิพพานโดยสิ้นเชิงเพราะมีความเป็นไปไม่เนื่องกับนิพพานนั้นเพราะปัญจโวการภพหรือเอกโวเกโวการภพเว้นจากการอาศัยมหาภูตรูปแล้วก็มีไม่ได้ปัญจโวการภพนะต้องเอามหาภูตรูปเป็นเป็นเบื้องหลังเอกโวการภพก็มีมหาภูตรูปเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะพระนิพพานไม่มีในในภพเหล่านั้นครับ ปริยายที่บอกว่านิพานมีสามก็ได้คือดับกามมาพบรูปประพบเละรูปประพบหมายความว่าถ้าแทงตลอดพระนิพานแล้วก็ดับพบได้โดยประการทั้งปวงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านถือว่าพบเนี่ยไม่ต่างอะไรจากอะไรเขาเรียกไหมพบเนี่ยเพราว่าอุจจาระนี่ยนะในในในสายตาของพระอรหันต์นะอันนี้เราพูดถึงในสายตาของพระอรหรันต์นี่คือฉันกล่าวไว้า ฉ, ฉันว่าพบ เนี่ยนะฮะองทำอะไรแน่ครับคือเป็นสถานที่หรือว่าเป็นภพภูมิหรือว่าเป็นสัตว์แต่ถ้าที่เข้าใจก็คือเป็นสัตว์คือคำว่าภพเนี่ยหมายถึงวิบากและกรรมมชรูปวิบากและกรรมมชรูปเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์นะสัตว์นี้ดารงอยู่ที่ใดเรียกว่าโอกาส อันตัวบื้งลึกจริงๆก็คือเน้นไปที่วิบากและกรรมาชรูปฮันตัวนิพพานเนี่ยธรรมชาติที่ดับวิบากกับกรรมมาชรลปอย่างโลกนี้ละโลกมันก็อยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าดับอะไรดับภพเนี่ยนะดับมนุษย์โลกไหมพองระเบิดโลกนี้ทิ้งเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมพองดับภพเนี่ยภพพองดับภพบของใครเป็นต้นก็คือภพที่นับเนื่องใน ภายในเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่คำว่าภายในหมายว่ามันไม่ใช่ไปดับให้คนอื่นดับให้ตัวพระองค์เองบางคนก็เลยทงถึงขนาดว่าตัวเองก็ยังไม่มีอี ก, ก น, นะอันนี้เป็นเอามากตึกซึ่งมากคือบางทีฟังผิวเผินนะเมื่อพระผู้พากทรงเห็นว่าเมื่อพบมีวิพบก็ต้องมีถูกไหมครับแล้วถ้าฟังผิวเผินดูคล้ายๆว่าเป็นสถานที่บัทิธรรม คือสถานที่เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีผู้อาศัยใช่ไห ม, ม, มเมื่อมีวิบากกรรมชรูปเข้าไปอาศัยเราจึงให้ค่าต่อสถานที่อย่างสมมุติว่าบ้านผีสิงเนี่ยนะไม่มีเจ้าของอยู่นะพูดแบบรวมๆก็บ้านผีหลอกกันนะบ้านนั้นแทบหมดราคาเลยใช่ไหมเพราะไม่มีใครอยู่โอกาสสโลกทั้งหลายเนี่ยนะเช่นมันแทบไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยเพราะไม่ไม่เป็นที่อาศัยของ สัตว์และสังขารเนี่ยนะสัตว์โดยเฉพาะสัตว์นี้ก็ต้องอาศัยสังขารอีกครั้งสังขารนั้นก็คือตัววิบากและกรรมชรูปที่เรารักษากันจริงๆคือรักษาวิบากกับกรรมชรูปแม้กระทั่งรักษาชีวิตเนี่ยให้ยืนยาวต่อไปก็คือการรักษาวิบากกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอาสยะเป็นที่ตั้งแห่งอนุสยะเป็นที่ตั้งแห่งจริตเป็นที่ตั้งแห่งอธิมุติเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดปัญหาเนี่ยก็คืออาศัย วิบากและกรรมชรูปถ้าวิบากกรรมชรูปไม่อย่างลงในขัน์อย่างเดียวนะวัตทุกก็เป็นอันจบสิ้นเหมือนั้นแท้ไม่ต้องมารับภาระแบบที่เห็นเนก น, ก, น, นกันนอกเหมือนกันก็หนีไม่พ้นอุปาทานขันห้านั่นเองวิบากกรรมชรูปพูดพบอะไรกันปก็ต้องหมายความว่าคืออุปาทานขันห้าส่วนจะครบง่าหรือไม่ครบอีกเรื่องหนึ่งใช่ก็เป็นไปกับขันห้านั่นนะ ก็ยังว่านะแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขันท่านเอยหมายคําว่าสิ่งที่ไม่ใช่วิบากกรรมชรูปประโยชน์ก็เพื่อมาเป็นของประดับของวิบากกับกรรมชรูปใครเคยเห็นซื้อเพชรมาประดับให้ต้นไม้บ้างนั่นะก็ประดับให้กับวิบากกับกรรมชรูปนั่นแหละนั่นทีนี้พระนิพพานนี้ก็ไม่มีอรูปประพบด้วยนะเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าเออนิพพานนี่มีแต่ นำมา ร, รมที่เป็นอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาญตนะเนวสัญญาณสัญญาญตนะไม่ใช่นั้นนิพานไม่มีอรูปประพบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นนิพานไม่มีจิตและเจตสิกโดยประการทั้งปวงผนสรุปว่านิพานไม่มีไม่มีภพสามอยู่ในตัวอันนิพานว่างจากภพสามภพสามก็ว่างจากนิพานแต่ถามว่านิพานกับภพบสามเนี่ย แทรกแรกกันอยู่ด้วยกันไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมนอไม่ได้คือศัตรูกันโดยโดยตรงเลยนะปฏิปักต่อกันอย่างตรงๆเลยนะ mm hmm. ก็บรรพู้ที่ปรารถนานิพานก็เท่ากับปรารถนาความดับพบสามเนี่ยนะนะเพราะว่าเหมือนกับไฟกับน้ำเนี่ยเข้ากันได้ไหมพูดไฟโบราณนะไฟฟ้าไฟฟืนเนี่ยไอไฟฟืฟฟนเนี่ ย, ฟฟนนยกับน้ำเนี่ยคือสิ่งที่เป็น ศัตรูกันโดยประการทั้งปวงพบนี่ประดุดไฟนิพานประดุดน้ําถ้ามีน้ําก็เป็นนานว่าดับไฟเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่านิพานไม่มีกาลมาโลกรู ป, ประโลกในนิพานมันถ้าไม่มีโลกไม่มีพบสามเนี่ยนะโลกนี้จะมีไหมปารโลกจะมีไหมในสภาวะของนิพานนิพานอยู่ที่โลกหน้าก็ไม่ใช่นิพานไม่ได้อยู่ในโลกนี้นิพานก็ไม่ได้อยู่ใน โลกหน้าฟังเข้าใจยากไหมจา๊ามินิด <l ots> ก็มันไม่มีโลกอจะไปมีโลกนี้ได้ยังไงจะไปมีโลกหน้าได้ยังไงเพราะเป็นธรรมชาติที่ดับโลกอ่ะนะธรรมชาติของเขาคือธรรมชาติที่ดับโลกแต่อย่าลืมว่าใครที่เป็นนักตรึกเดาเอาเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะที่จะไปสมเดาเอานึกเดาเอาว่าเออมันคงเป็นอย่างงั้นมั้งมันคงเป็นอย่างงี้มั้งคนที่เดาถูกแม่นยําเลยนะคือพระสโสดาบัน อันนันนั่นนะเพราะเห็นแล้ ว, น, ลวนึกถูกเลยแต่บุคคลที่เหลือก็เพียงแต่ว่าเหมือนกับว่านึกถึงก้อนไฟเนี่ยนะถ้าไฟดับก็คงนึกได้เท่านั้นเนะช่นดับไฟคือราคาดับไฟคือโทสะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นโทษก่อนบอกถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นความดีคือคือจิตมันต้องน้อมไปอย่างนี้นะไม่งั้นเนี่ยน้อมไม่ถูกหรอก เธอมันเหมือนกับว่าที่นี่มันมีปัญหาเลือเกินจะหลีกไปอยู่ที่อื่นจะได้ดับปัญหาแก้ปัญหาให้หมดสัทีคารวาะวุ่นวายมากบวชแล้วคงจะดับได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็เอาขันห้าไปด้วยมันไม่มีมันแต่ที่มันจะหมดปัญหาไม่มีหรอกเมื่อคนป่วยนะอยู่ที่นี่มันป่วยมากเดี๋ยวไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าเผื่อจะหายป่วยหายไหมมันก็เออเราอยู่ที่นี่อายุก็มากแล้วชราก็ทุกวันทุกวันไปอยู่ประเทศอื่นเผื่อจะความชราเป็นต้นจะลดลงช่วยได้ไหมอย่างงี้ ไม่มีผลสันได้ก็ดีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะนี่มาดูว่านิพพานเนี่ยนะไม่มีในขันทโลกไอขันทโลกนี่แหละมันจึงจะได้ชื่อว่าชาตินี้ปัจจุบันชาติโลกนี้เพราะขันนั่นแหละสิ่งขันห้านะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่อาศัยขันห้า นิพานนี่เป็นอาสังคตธรรมเป็นกาลาวิมุตตไม่ได้มีอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะเป็นอาสังคตธรรมเนี่ยนะมีสภาวะของนิพานไม่ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าแต่ในพานย่สูตรไงไม่ในพานย่าสูตรที่บอกว่า ดูก่อนพายยะเมื่อเธอเห็นจากเป็นประมาณว่าเห็นได้ยินจากเป็นประมาณว่าได้ยินทราบจากเป็นประมาณว่าทราบเนี่ยนะเมื่อรู้แจ้งจากเป็นประมาณว่ารู้แจ้งเนี่ยนะเธอก็จักเธอก็จักไม่มีในโลกนี้จักไม่มีในโลกหน้าจักไม่มีในระหวังโลกทั้งสองนั่นเป็นที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะไอคำว่าไม่มีในโลกนี้หมายว่าผู้ที่พิจารณาด้วยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยโลกนี้หมายถึงอายตนะภายใน จกไม่มีในอาย ต, ตนะภายในว่าเป็นตนเป็นของตนไม่มีอายตนะภายนอกว่าเป็นตนว่าเป็นของตนวิญญาณหกเนี่ยนะถือว่าเป็นปกติในระหว่างนยะตากับสีจะคูวิญญาณถือว่าอยู่ระหว่างนะหูกับเสียงโสตะวิญญาณถือว่าอยู่ในระหว่างพระนิพานเ น, นี่ยเป็นอาย ต, ตนะภายในไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมไม่ใช่นิพานคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมณ์แบบที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ นิพานคือจักขูวิญญาณโสตาคานาชีวหาวิญญาณทัสสะเวทนาสัญญาเจตนาใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นสภาวะของนิพานไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้ก็ก็ที่ว่านะใครที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยไปคิดเรื่องจกักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรธจักขูนิโรธถ้ า, ามินีปฏิปทาเนี่ยบทลักษณะเนี่ยคูณปิีรูปสารูปหกสิเอาไว้ให้ดีๆจะได้ไม่เข้าใจผิด ไม่อย่างนั้นก็นั่เป็นยังไงนิพพานครัเนี่ยตากะได้ไหมสมดาคาดว่าน่าจะอยู่ที่นั่นน่าจะอยู่ที่นี่คาดไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าพระจันทอาทิตย์ก็สองไม่ถึงกังนั้นก็พระจันนิพพานเนี่ยไม่มีรูปอะที่ใดมีรูปเท่านั้นแหละที่นั่นจึงจะมีความมืดนะนะ ความมืดเนี่เป็นที่รองรับรูปพระนิพานไม่มีรูปเพราะฉะนั้นไม่มีความมืดและความสว่างเพราะฉะนั้นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ต้องไม่ต้องส่องอะไรแต่อธิบายในยลักษณะว่านิพานเนี่เป็นธรรมชาติที่สว่างสวัยเป็นสภาวะเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าถ้ามีนิพานแล้วคงใส่มันจะมืดมืดมั้งแต่หมายความว่าผู้ที่มีนิพานเป็นอารมณ์นะตื่นตัว ไม่ใช่หลับหลงงวยเนี่ยนะถ้าพวกถีหน้ามิธามันจะน้อมไปหาสว่างสว่างหลับไหมเปิดไฟจ้าๆเลยนะสองตาเลยจ้าๆก็หลับไหมไม่หลับอ่ะนะเว้ไม่แต่เป็นเอามากอ่ะนะแต่ถ้าธรรมดาธรรมนาไม่หลับหรอกนิพานก็เหมือนกันก็บอกว่าเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเหมือนกับสว่างสวยัยแต่ไม่ใช่สีเพราะคําว่าสว่างใช้กับสีใช้กับเพราะสว่างนี่เป็นชื่อของรูปายตนะใช่ไหม เป็นเชื้อของสีเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีสีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าแทงตลอดพระ น, นิพพานแล้วมืดมดคลึมๆึ ม, มอันนี้ไม่ใช่นะถึงจะอยู่ในที่หลีกเลนก็ไม่ครึมนะสภาพของจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นท่านบอกว่าเหมือนกับจิตที่สว่างสวัยบา ง, งันด้วยอันดับคําเพียงเท่านี้พระธรรมราชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงประกาศอมาตะ น, นิพพาน อันไม่เคยมีในสงสารซึ่งหาเบื้องต้นรู้ไม่ได้แม้ที่สุดด้วยความฝันนิพานเนี่ยนะใครเคยฝันว่าบรรลุนิพานบ้างฝันว่าเห็นนิพานเลยนะไม่มีว่างั้นเพราะเน่ยฝันยังไม่เคยฝันเห็นเลยว่างั้นอันลึกโดยปรมัตเดเห็นได้ยากยิ่งละเอียดสุขมุมนึกเดาเอาเองไม่ได้สงบที่สุดเนี่ยนะเป็นที่อํานวยผลเฉพาะตน ก็มีคำหนึ่งว่านิ้พาณมัตโนใช่ไหมมันเป็นของเฉพาะตัวจริงๆที่จะต้องปฏิบัติให้ให้รู้แจ้งแทงตลอดให้เห็นเนี่ยนะเรียกว่าอํานวยผลเฉพาะตนเพราถ้าอนาทบินทิกาเศรษฐีเห็นพระนิพานก็ดับภพบของอนาทนางวิสาขาเห็นนิพานก็ดับภพของนางวิสาขาเรียกว่าอํานวยผลให้เฉพาะตนเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นไม่ได้ใครที่แทงตลอดก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนจริงๆ เป็นของที่ประนีดยิ่งนักนะพงแสดงอย่างนี้แก่พิสูุนทั้งหลายผู้ยังไม่บรรลุจึงเพื่อจะให้พิสุนเหล่านั้นขจัดความโง่ออกเสียนะนะก็ว่าเออธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่นะเพราะพระนิพพานนั้นมีอยู่ก่อนทีเดียวพระนิพพานเนี่ยสภาพอันนี้มีอยู่นะถ้าอีกบางแห่งบอกว่าเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยแค่คนมีตาลืมก็เห็นแล้วหมงอนนนี่ ของเรานี้แเหมือนนบอกตเน็ตแลวนะนึกยังไงก็นึกหาไม่เจอนะพู้การถ้าจะค้นให้เจอนิพานนี่อยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าอมตะทิศเนี่ยนะไม่อยู่ในทิศทั้งสิทิศอ่ะคิดดูทิศบนทิศล่างทิศซ้ายทิศขวาคิดหน้าทิศหลังทิศเฉียงเฉียงก็ไม่ใช่เคยเดี๋ยวว่าใช่ปัการงใช่ไหมนิพานรืว่าไม่มีการเวลาใช่นั่นแหละมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน คือ <ừ, S 2> เคยจะเปรียบเทียบ<ๆ>เอาว่านี่ครับถ้าตอนไหนมีทุกทรกระทมานะก็บอกว่าในนิพพานไม่มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ในนิพพานไม่มีได้ได้ท่านี้ค<ม>รับได้ท่านี้ทงิงทิันก็อันนี้แหละที่เราจะต้องมาอย่างว่านะยังไงก็ต้องไม่ลืมบทที่เรียกว่าเช่นกายกายะสมุทัยกายะนิโรตกายะนิโรทขขาไม่หนีปฏิปทาถ้าไม่ระลึกเอาบทเหล่านี้เอาไว้ในใจนะ มันจะแสวงหาบางคนนึกว่าคัเพิลไปแสงจะจ้าโอ้นี่ใช่ละใช่ละใช่ไหมบางทีมหลับตาเกรงมากมันก็เหมือนกับมีแสงขึ้นมานจริงไม่ใช่หรอกโยมคนหนึ่งนะก็บอกว่าโยมนี่ไม่ชอบนั่งสมาธิเลยบอกทําไมอ่ะนั่งหลับตาแล้วแสงมันจ้ามากคำว่างั้นเจนพรานจ้าอะไรก็นั่งเกรงขนาดนั้นมันก็ไม่จ้าอยู่แล้วมันต้องจ้าอยู่แล้วใช่ไหมมันนั่งหลับตาแล้วมันเกรงไงเกรงมันก็เหมือนกับแสงสว่างนี่มันเกิดขึ้น ด้วยอำนาเหมือนกับอะไรนะไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าทางทางเนี่ยนะจริงก็นั่งอยู่ที่มืดเน่ยแต่ถ้าเกรงหลับตาเกรงแรงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนแสงสว่างเพราะฉนนั้นเตโชใชมันก็ลักษณะนั้ น, นอันนั้นก็เกินไปอีกไม่ใช่คื อ, อที่เรียกว่าจะให้มีจิตน้อมไปโอนไปเนี่ยนะตอนเนี้ยังนึกไม่ออกถ้าไม่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลย ที่เราจะเข้าใจพระนิพพานนั้นบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะคือตอนเมื่อก่อนเลยเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้พูดคำอื่นเนี่ยท่านพูดไม่ได้ทำไมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งผู้ที่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ผู้ที่ละสิ่งที่ควรละผู้ที่ ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งผู้ที่เจริญสิ่งที่ควรเจริญเช่นจกักกายอย่างงี้นะกายพระ อ, องค์กำหนดรู้แล้วกายยะสมุทัยพระองค์ละแล้วกายยะนิโรธพระ อ, องค์ทำให้แจ้งแล้วกายยะนิโรธทั า, ามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ั้ยผู้ที่เห็นอย่างนี้ถามว่าจิตใจเขาจะงอนเง่นตอพระพุทธคุณไหมไม่งอนเง่นอยู่แล้วเนี่ยนะ ซึ่งในยุคหลังๆมาเนี่ยเที่ยวสแสวงหานิพพานที่ไหนก็ไม่ทราบนะหาไปหามาก็โอ้ได้นิพพานอีกสารพัดนิพพานเนี่ยนะผมจึงเชื่อว่าถ้าไม่เริ่มมาจากศีลสิกขาและจิตสิกขานะฮะไม่มีความหวังเลยครับที่จะไปเข้าใจธรรมะชนสูงหรือแม้ถึงระดับนิพพานเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับเราจะคิดเป็นเรื่องอื่นไปด้วยครับเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยสตะมันต้องดีจริงๆ ในที่ที่จะเจริญนะแม้กระทั่งรักษาศีลหรืออบรมจิตตาสิกขาเนี่ยถามว่าจิตมันจะน้อมไปอะไรเคยถามบางคนว่านิพพานของคุณเป็นยังไงความสงบงความนิ่งมันั้กวันไหนเขานิ่งเขานั่งสงบสบายเหมือนกับว่านั่นแหละนั่นแหละใช่เลยนันถามว่าศาสนานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือสุตตะนั่นะ ฟังจนเข้าใจให้เพียงพอให้ดีๆเลยนะไม่งั้นพลาดแนะ่ก็เรียกว่าเหมือนกับเดินทางเข้ากรุงเทพเลยเป๊ะเลยนะสมัยนี้นะกรุงเทพมันซับซ้อนอย่างนั้นแนหะละเผลอแป๊บเดียวนี้เสร็จแล้วหลงออกย ม, มาราช น, นะนะตีน้นไม่ถึงสำนักพยายมเนี่ยนะท่านก็พยายามศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจให้ดีๆถ้าเข้าใจไม่เพียงพอจริงๆนะมันมันยากจริงๆเนี่ย น, นะ นี่แม้กระทั่งสูตรนี้ของมาก็อ่านไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ยังยังสำนวนว่าก็ยังเข้าใจยากอีกอยู่ดีเนี่ยนะก็ผู้ที่ไม่ยากคือผู้ที่เห็นของเราก็ศึกษาแบบลักษณะเรียกว่าศึกษาเพื่อให้มีสูตรต่ให้มีทิศทางเดียวเป็นกับของท่านก่อนนะนะเห็นไม่เห็นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญว่าให้เรามีทิศทิคล้อยตามท่านก่อนอนนะคือคือให้คล้อยตามอ่ะนะไม่ใช่ว่า เอเชื่อแล้เชื่อล้แต่ว่าคล้อยตามเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเป็นไปตามแนวนั้นจริงๆริอ่ะนะเขาก็ด้วยอำนาจการหมายคว่าให้อนุมัติอ่ะนะเห็นด้วยเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นนะให้มันมีทิฐศทิศ ท, ทางเดียวกันอ่ะคือ ท, ที่ว่าเห็นด้วยหมายความไงหมายความว่าถ้าผู้ศึกษาตามลําดับขั้นนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะแล้วรักษามีศษษีลสิกขามีจิตสิกขาเนี่นะแล้วบอกว่านิพพานคือจุดมุ่งหมายโน้นเนี่นะครับ ก็หมายความว่าแต่ละขั้นต้นๆเราได้เห็นจริงมาตามที่พระองค์ตัดไว้ตลอดมาใช่ไหมทําไมเราจริงะไม่เชื่อในในเป้าหมายสุดท้ายเราต้องเ<ม><ม>ชื่ออยู่แล้วเพราะว่าพิสูจน์มาตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะมแต่อยู่ดีๆคนไม่เคยศึกษาเลยนะฮะรับรองได้เลยครับไม่เชื่อแล้วดีไม่ดีก็ทําให้เสียหาย<ม>ด้ว ย, วยก็ตรงนี้แหละที่เรียกว่าผู้ไม่ได้สั่งสมบุญมาก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วันผู้ที่สั่งสมบุญมาม า, มากเนี่ยนะเขาเห็นว่าภพสามมันเป็นทุกข์จริงๆ มองทุกเรื่องมันเป็นภาระแล้วเป็นคนที่เรียกว่าดูแล้วสู้โลกไม่ชนะโลกแน่น่ยนะคือพื้นฐานตรงนี้ต้องดีหมายความว่าโลกนี้มันไม่น่ห า, าพี่ลมจริงๆเนี่ยนะฉนั้นถือว่าการออกจากโลกนี่ดีที่สุดใครบ้างหนอจะรู้รู้ไอความดับโลกมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ดับโลกได้เนี่ยนะอันนี้คือคือการศึกษาการทำความเข้าใจในเบื้องแรกให้มันดีๆก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่รู้คืออะไรก็ตอนนี้นะมันก็มีแผนที่อยู่อย่างนี้แหละให้ค้นเนี่ยคน้นใครค้นเจอก็เจ อ, เจอถ้าคนไม่เจอก็โน่นรออีกอะหนึ่งพุทธันดรนนั่นนี่ั่นก็ช่วยๆกันอ่านบ้างนะเดี๋ยวแผนที่จะลบเลือนหายไปหมดอีกอย่างหนึ่ง เราไม่กล่าวการมาอะไรๆจากที่ไหนที่เป็นไปตามสังขารคือนิพพานเนี่ยนะไม่มีการมาจริงๆสภาวะของเขาไม่มีการมาแบบสังขารเนี่ยสังขารเนี่ยมาเดี๋ยวอีกสองนาทีข้างหน้าเดี๋ยวก็จะไปเนี่ยนะสังขารเนี่ยมีการมาแล้วก็มีการไปใช่แต่พระนิพพานไม่มีการมาการไปไม่มีอาคติไม่มีอาคติว่าไงเถอะไม่มีมาไม่มีไปไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิ อันที่จริงทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีการมาการไปเพราะไม่เห็นพระนิพพานผลการมาการไปของสัตว์ทั้งหลายเว้นการทํานิพพานให้เป็นอารมณ์ด้วยญาณเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการมาการไปถ้าเขามีพระนิพพานเป็นอารมณ์รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไม่มีการมาการไปคือไม่มีจุติและปฏิสนธินั่นเองผลพระนิพพานนั้นจึงไม่มีทิฏฐิจุติอุบัติไม่มีการมาไม่มีการไป แล้วก็สภาวะนิพานเนี่ยไม่มีอารมณ์คือนิพานเขาไม่ได้เป็นจิตเจตสิกใช่ไหมที่ต้องรู้อารมณ์ตัวเขาเองไม่ใช่จิตเจตสิกเมื่อไม่ใช่จิตเจตสิกเขาจึงไม่มีการอารมณ์นิพานไม่ใช่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเมื่อเขาไม่ใช่รู้ไม่ใช่นามาขันเขาจึงไม่รู้อารมณ์นิพานนี่เป็นขันทวิมุติเนี่ยนะพอนิพานนี่ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเป็นที่ยึดเหนียว ต่างจากนามธรรมทั้งหลายนะีนามธรรมนี่จะต้องอาศัยอะไรนามธรรมนะเช่นเวทนาสัญญาสังขารต้องอาศัยอาวัตถุอาศัยวัตถุอาศัยสัมปยุตธรรมอาศัยอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นเนี่ยมากมายแต่นิพานไม่ต้องอาศัยปัจจัยแบบนั้นนั่นนะซึ่งนิพานเนี่ยเป็นอะรูปก็จริงเป็นนามก็จริงแต่เป็นนามที่สังขารทุก นามมาทำทั้งหลายนะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นนามประเภทน้อมไปรู้อารมณ์แต่สภาพของพระนิพพานเนี่ยจิตเจตสิกต้องน้อมไปหาเขาอ่ะนะน้อมไปหาสภาวะของเขาไม่ใช่เขาเนี่ยเป็นตัวน้อมไปหาจิตเจตสิกแต่จิตเจตสิกน้อมไปหาเขาพระนิพพานเนี่ยโอปะนัยโกเนี่ยหมายถึงว่าน้อมจิตเข้าไปรู้นะเรียกว่าโอนจิตน้อมจิตไปหาพระนิพพานเหล่านั้นก็ว่างๆก็โรค นะถ้าเส้นอะทุกน้อมจิตไปหาตัวที่ที่ดับทุกอันนั้นเนี่ยนะซึ่งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาต้องแม่นยำมากๆเลยนะจึงจะทําปะหานะปริญญาและจึงจะบรรลุได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยไม่ยงนั้นก็สมเดาคาดเดาเอาว่านิพพา น, ค ง, น, น, น, นคงเป็นเช่นนั้นคงเป็นเช่นนี้อยู่ณนะที่นั้นอยู่ณนะที่นี้ตกลงอยู่ตรงไหนดีจอมิ น, น ตึงปางระหว่างตายคือความคิดของมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์เราอธิบายด้วยอายะศานาทั้งมแต่พระพากนี่ค้ายๆว่ามันใช้อายะศานาพวกนี้ไปไปดูไปรู้ไม่ได้ยกตัวอย่างเกิดเครียดคล้ายๆว่าอย่างมใครสักคนที่ตาบอด้วใส่เกิแล้วเราไปพรรณนาว่าเน่รู้มัสวย อือยังไงเ<ด>ขาเนื้นไม่ออกวิธีเดียวคือผ่าตานะอ่า น, นะวิธีเดียวคือไนะขาบอกว่าเกิดมาตาบอดเตยใช่ไหมไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยรู้สีมันเป็นยังไงเ<ด>ขาบอกว่ารุ้งนี่มันมีเจ็ดสีไงนะว่าไปบอกเล่าให้คนตาบอดฟังยังไงว่าเออเนี่ยรุ้งนะสีแดงมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนเลือดไก่นะมันเหมือนเลือดอย่างเงี้ยนะสีขาวนะมันเหมือนกับเนี่ยแสงอย่างเงี้ย ส, สีเหลืองสีเหลืองมันเหมือนกับผ้าเหลืองอย่างเงี้ยเลยคนตาบอดนื้ออุปมาอย่างไงก่อนแล้วว่ายังไงก่อนแล้วบอกวิธีทํำยังไงผ่าตาซะเราทั้งหลายก็ตาบอดด้วยอะไรอวิชาอาวิชาเนี่ยพาให้บอดใช่ไหมเลยไม่รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยฉนัยจักเห็นทุกขนิโรธมันก็ต้องผ่าปัญญาจากักโศกให้เกิดขึ้นนะเมื่อมี อะนะจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกไอตรงนี้แหละที่บอกว่าไม่รู้ได้ด้วยการคาดคะเนอยังไงเราก็กลับไม่ถูกเชื่อใครศึกษาธรรมะนะถ้าถ้าเอาประไตรปิดกเป็นมาตรฐานนิพพานแต่ละปีจะไม่เหมือนเดิมความเข้าใจก็มันอยู่ที่ว่าเข้าใจทุกข์กับสมุทัยเท่าไหร่ เพราะว่านิพานนี่คืออัปวัตะความไม่เป็นไปแห่งทุกขและสมุทยัยถ้าทําปริญญาในทุกขสมุทัยจนเพียงพออันนะจึงจะเริ่มเรียกว่าน้อมไปเปรียบเทียบนะว่าสังขารเป็นภัยพระนิพานที่ตรงกันข้ามจากสังขาร น, นี้ปลอดภัยก็ได้แต่เท่านั้นอ่ะเนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่แทงตลอดธรรมะอย่างนี้เนี่ยนะที่สุดแห่งวัตถุทุกมีไม่ได้อันนะเดี๋ยววันต่อต่อไปจะบอกว่าถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์อยู่ ออกจากวัตตะไม่ได้เนี่ยนะซึ่งของเป็นวันหลังไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกที่มีที่อื่นเช่นอภิธรรมมัตสังคหะปริเชศหนึ่งก็มีอยู่แล้วอธิบายละเอียดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> แต่ว่าคำแบบโดดๆอย่ี้มี